คู่มือมนุษย์เรื่องคนเราติดอะไรในวงเล็บเบนจะขันอะไรเป็นที่ตั้งที่ยึดที่เกาะเกี่ยวของอุปาทานที่ตั้งของอุปาทานก็คือโลกนี้เองคำว่าโลกในทางพระพุทธศาสนามีความหมายกว้างกว่าความหมายตามธรรมดาคือหมายถึงสิ่งทั้งปวงทั้งสิ้นกันทีเดียว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 ตามสติปัญญาของคนทั่วๆวไปพระพุทธศาสนาจึงมีการสอนให้ดูกันหลายๆชั้นท่านมีวิธีแนะให้ดูการจำแนกโลกออกเป็นฝ่ายวัตถุซึ่งเรียกกันว่ารูปธรรมอย่างหนึ่งฝ่ายจิตใจเรียกว่านามธรรมอีกอย่างหนึ่งยิ่งกว่านั้นท่านได้แบ่งส่วนที่เป็นนามธรรมหรือจิตใจนี้ออกเป็นสี่ส่วน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 ร่างกายเป็นวัตถุที่เรียกว่ารูปหรือรู ป, ปรขันในวงเล็บส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นจิตใจอีกสี่ส่วนนั้นจำแนกไปได้คือส่วนที่หนึ่งเรียกว่าเวทนาหมายถึงความรู้สึกสามประการคือสุขหรือพอใจอย่างหนึ่งทุกหรือไม่พอใจอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่ง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 ส่วนที่สองเรียกว่าสัญญาแปลว่ารู้ตัวเป็นความรู้สึกตัวอยู่เหมือนอย่างว่าเรากำลังตื่นอยู่คือไม่หลับไม่สลบไม่ตายหรือเรียกว่ามีสติสมปริดีโดยทั่วไปมักจะอธิบายกันว่าเป็นความจําได้หมายรู้ก็ถูกเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เมาไม่สลบไม่หลับไม่ตาย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 แตะตรงกันโดยเหตุที่มันมีความหมายไปในทางมีการปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาส่วนที่สี่เรียกว่าวิญญาณหมายถึงจิตที่ทำหน้าที่รู้สึกที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นและที่กายทั่วไปตลอดถึงที่ใจของตนเองด้วยไม่ใช่เจตพูดอย่างที่คนส่วนมากเข้าใจกัน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 หรือไม่สุขไม่ทุกข์มีทางที่จะยึดเป็นตัวตนได้มากที่สุดเราจะมองดูตัวอย่างในเรื่องเราหลงไหลในการมาสุขโดยเฉพาะก็คือความอร็จอร่อยความถูกปกถูกใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสต่างๆที่ได้รับอยู่ตัวเวทนาในที่นี้ก็คือความรู้สึกอร็จอร่อยซึ่งเป็นความสุขแล้วก็ไปติดความสุขนั้น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 แล้วดึงเราไปสู่สภาพที่จะต้องเสียใจในภายหลังในทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ท่านสอนให้พิจารณาเรื่องเวทนาโดยเฉพาะก็มีมากมีผู้ที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เพราะกําหนดเวลาเป็นวัตถุสําหรับการพิจารณาเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์อย่างนี้ก็มีมากเวทนานี้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ง่ายกว่าสิ่งใดทั้งหมด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 จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ชีวิตของคนเราจริงๆถัดไปก็คือเรื่องสัญญาหรือที่เรียกว่าสมปรือดีนั่นเองนี้มีทางที่จะยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราได้ง่ายเหมือนกันอย่างที่ชาวบ้านทั่วไปมักชอบพูดกันว่าถ้านอนหลับจะมีอะไรบางอย่างออกไปจากตัวเราที่เรียกว่าเจตพูด หรือจะเรียกว่าอะไรสุดแท้ในขณะนั้นเราก็เหมือนท่อนไม้ไม่มีความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นและกายพอสิ่งนั้นกลับสู่ร่างกายอีกจึงจะรู้สึกสมปริตีตามเดิมมีสติสตังขึ้นมาตามเดิมคนเขาหลงเชื่อกันอย่างนั้นมากเลยยิ่งมีทางที่จะยึดเอาสัญญาหรือสมปริตีนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวตนมากขึ้น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 แต่คนทั่วไปก็ชอบเดาหรือสันนิษฐานไปในทางที่จะยึดถือว่าเป็นตัวตนการศึกษาพุทธศาสนากลับได้ความรู้ที่ตรงกันข้ามว่า น, นั้นไม่ใช่ตัวตนของใครนั่นเป็นเพียงผลของการปรุงแต่งตามธรรมชาติในคนคนหนึ่งเท่านั้นเอง